พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตรับใดถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีความทุกข์ก็คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเกิดแล้วย่อมต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากบุคคลและสิ่งที่รักที่ชอบไปและต้องประสบกับบุคคลและสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตของทุกๆสัตว์ทุกๆบุคคลที่ได้มาเกิด เกิดแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากความแก่จากความเจ็บจากความตายไปได้ถ้าไม่อยากจะพบกับความทุกข์ต่างๆก็จะต้องไม่เกิดเท่านั้นและการที่จะไม่เกิดได้ ก็ต้องละสังโยชน์สิบประการให้ได้ก็คือต้องละสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราสองต้องละศีลภพตาปรมาน คือการปฏิบัติที่ไม่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสามต้องละวิจิกิจชาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่ต้องละการมราคะ คือความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะของบุคคลที่รักที่ชอบห้าต้องละปาติคาคือความหงุดหยิดนำคาญใจที่มักจะเกิดเวลาที่เกิด การมราคาขึ้นมามีเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำมีอยู่ห้าข้อแล้วก็ข้อที่หกก็คือต้องละรูปป ร, ราคาความยินดีในรูปฌปาน ข้อที่เจ็ดละอุปปาลคะ อ, อรูปปาคะคือความดีความยินดีในอรูปฌปานหกเจ็ดแปดต้องละออมานะออคือการถือตนเก้าต้องละ อ, อืม ความฟุ่งร้านอันนี้ภาษาบาลีจำไม่ได้และสิบต้องละอวิชชาความไม่รู้ความจริงของพระอริยรรสัจสีนี่คือสังโยชน์ซึ่งแปลว่าเครื่องมัดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับ การเวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารในตใจพบคือในกายพบในรูปพบและอรูปพบผู้ที่จะต้องการยุติการเวียนไหวตายเกิดจำเป็นที่จะต้องละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ พูธที่ละสังโยษสามข้อแรกได้คือสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาศีลภัตตะปรมากผู้นั้นก็จะตัดพบชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคือพระโสดาบาันเป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่หนึ่งผู้ที่สามารถปฏิบัติทรรมจเจริญปัญญาได้จนมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ า, าขันหานี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เมื่อเห็นความจริงอันนี้ ก็จะละวิจิตกิจฉาคือความสงสัยลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระ อ, อริยสงฆ์นั่นเองดังนั้นผู้ที่ได้ละ สีสักกายทิฐิได้ก็จะละสีลพัพรตตปรมาได้ะละละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะเห็นพระธรรมแล้วด้วยการปฏิบัติแล้วเมื่อเห็นพระธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนี้ก็เป็นอันเดียวกัน และผู้ที่เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระอริยสงฆ์เท่านั้นก็คือพระโสดาบันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาภายในใจเมื่อเห็นธรรมแล้วก็จะละศีลพระตปรมา คือการประพฤติ ท, ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการดับความทุกข์นั่นเองเช่นการบูชายันการทำพิธีกรรมต่างๆการเะด็จเคราะห์การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลการเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่อะไรต่างๆที่ ทำกันนี้ที่นอกเหนือจากคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลภาวนาผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเนี่เอง นี่คือการละสกายทิติสามข้อแรกละสังโยชน์สามข้อแรกที่จะทำให้ตัดพบชาติเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและถ้าปฏิบัติต่อไปได้สามารถทำให้การมาราคะคือความอยากความใคร่ความกำหนัดยินดีในการเสพกาม และปฏิฆะความหงุดหงิดตำคานใจถ้าสามารถทำให้เบาบางลงไปก็จะได้บรรลุพระอาริยะบุคคลขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีก็จะสามารถตัดภพชาติให้เหลือเพียงพบภพชาติเดียวคือจะกลับมาเกิดในการมาพบดะ อีกชาติเดียวอีกครั้งเดียวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวถ้าสามารถปฏิบัติจนละกามาราคะและปฏิฆะได้อย่างเต็มที่ก็จะได้บรรลุอรยิยบุคคลขั้นที่สามคือขั้นพระอาณาคามี พระอนาคามีนี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกรรมภพอีกต่อไปแต่จะไปเกิดในรูปะพบหรืออรูปะพบก็คือเกิดในพรมโลกสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบำเพ็ญปฏิบัติละสังโยชน์เบื้องบนอีกห้าข้อจนได้บรรลุถึง พระอริยะบุคคลขั้นที่สี่คือพระอาราหันต์แล้วก็จะได้พระนิพพานเป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนคือจะต้องไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปในตายภพคือไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาภพรูปภพและอรูปภพ สังโยนสังโยชน์เบื้องบนก็คือรูปราคะความยินดีในรูปฌปานอรูปราคะความยินดีในอารูปฌานความพุ่งสร้างมานะความถือตัวถือตนและอวิชชาความไม่รู้พระอริยสัจ ีที่ละเอียดที่สุดนี่คือสังโยชน์สิบประการที่จำเป็นจะต้องได้รับการละถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปการที่จะละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้ ต้องละด้วยปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็คือต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องเห็นใจรักเห็นอริยาาสัจสี่ในสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงยึดติดอยู่เช่นเห็นอริยาาสัจสี่ เห็นใจรักในขันห้าเห็นใจรักในรูปฌปานอารูปฌปานเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่ในภายในใจภายในจิตการที่จะมีปัญญาได้ก็จำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ สามารถเห็นปัญญาในระดับของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถมีปัญญาในระดับที่จะละสังโยทั้งสิบประการนี้ได้ปัญญานี้ก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสุตมะยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่ ท่านทั้งหลายกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้เรียกว่ากำลังเจริญสุตมยปัญญาความรู้ความฉลาดในระดับที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาความรู้ความฉลาดที่เกิดจากการเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง มาใค้ควรมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่ความรู้หรือปัญญาทั้งสองระดับนี้ยังไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ทั้งสิบประการได้จะต้องมีปัญญาระดับที่สามปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาก็คือปัญญาที่ เกิดจากที่หลังจากที่ได้สมาธิแล้วปัญญาที่เห็นความจริงที่มีอยู่ภายในใจการที่จะเห็นอริยสัจสี่เห็นตายลักภายในใจได้ใจต้องเข้าสู่สมาธิก่อนต้องเข้าไปข้างในถ้าเห็นข้างนอกยังจะมองไม่เห็นเหมือนการดู สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านถ้าอยู่นอกบ้านมองเข้าไปจะมองไม่เห็นชัดจะมองไม่เห็นครบถ้วนและจะไม่สามารถที่จะไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านให้เรียบร้อยได้แต่ถ้าเข้าไปในบ้านแล้วก็จะสามารถเห็นได้ชัดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้าน และสามารถจัดการดูแลบ้านให้สะอาดให้ให้ดีได้ถ้าอยู่นอกบ้านเช่นเห็นสุนัขอยู่ในบ้านแต่ถ้าอยู่นอกบ้านก็ไม่สามารถที่จะไปจับสุนัขไม่ให้ไปทำลายข้าวของที่มีอยู่ภายในบ้านได้ถ้าอยากจะจับสุนัขให้ยุติการทำลายข้าวของที่มีอยู่ในบ้านก็ต้องเข้าไปในบ้านก่อน ถ้าเข้าไปในบ้านแล้วก็จะสามารถจับสุนัขมัดเอาไว้ได้สุนักก็จะไม่ทำลายข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในบ้านทันใดการเห็นสังสการเห็นสังโยดด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยสูตรตรมยปัญญาเช่นในขณะนี้เราเห็นสังโยดสิบประการแล้วเห็นแล้วว่าสังโยดทั้งสิบประการนี้จะเป็น เหตุที่ทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่เราอยู่นอกข้างนอกใจอสังโยชน์อยู่ภายในใจเราเข้าไม่ถึงตัวสังโยชน์เรายังละมันไม่ได้เราเราได้ยินแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราไม่สามารถสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายนี้ให้ได้ ใจยังยึดติดอยู่ก็ร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เวลาร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่สามารถดับสังโยชน์คือความหลงที่หลอกให้ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจ พได้ยินว่าร่างกายจะต้องตายไปเท่านั้นใจก็สั่นขึ้นมาทันทีไม่สามารถควบคุมความหลงก็คือสักายะทิฏฐิที่หลอกให้ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไม่สามารถกาจัดสักกายะทิฏฐินี้ได้เพราะอยู่ข้างนอกใจไม่ได้อยู่ข้างในใจ ใจต้องเข้าไปในใจก่อนอันนี้ใจอยู่ข้างนอกอยู่กับเลือกเสียงเก็บลดผลพะอยู่กับเสียงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วใจจะเข้าไปข้างในจะอยู่ข้างในพออยู่ข้างในพอเห็นตัวที่ทำให้ใจสั่นขึ้นมาคือความหลงที่ไปยึดติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะสามารถหยุดความหลงยึดติดนี้ได้ ด้วยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาดังนั้นการที่เราจะทำให้เกิดภาวนามยปัญญาได้นี้ก็ต้องอาศัยภาวนาอาสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญาส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องอาศัยสมาธิอีกส่วนหนึ่งถึงจะได้ภาวนามยปัญญาคือเราได้ฟังแล้ว ได้ยินได้ฟังแล้วว่าสังโยชน์เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะละสังโยชน์เราก็ต้องคอยเตือนใจอย่าให้หลงไปกับสังโยชน์อย่าไปให้หลงไปกับสักกายทิฏฐิอย่าไปเชื่อสักกายทิฏฐิที่คอยสอนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา อย่างนี้เรียกว่าจินตามายะปัญญาคือหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรกับสักกายทิฐิได้ถ้ายังไม่มีสมาธิเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งก็จะหวั่นไหวขึ้นมาได้แต่ถ้าได้จเจริญสมาธิ จนจิตรวมลงเป็นเอกคัตตารลมสักแต่ว่าเราเป็นอุเบกขาแล้วถ้ามีจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอุเบกขาแล้วเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในกี่วันกี่วันเวลาใจจะสั่นขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาก็จะมีภาวนามายปัญญา มาดับได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายเราไม่ได้ตายไปกับมันเราจะไปหวั่นไหวทำไมใจเราจะต้องไปสั่นกับมันทาไมในเมื่อเราไม่ได้ตายไปกับมันอันนี้พอมีสมาธิก็ทำใจให้เป็นอุบเบกขาได้ทำใจให้เฉยปล่อยวางได้นี่คือการเจริญปัญญา ให้เป็นภาวนามายปัญญาต้องมีสมาธิและต้องมีสุตตะมยปัญญาและจินตามายปัญญาถ้ามีสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ก็จะไม่สามารถละสังโยชน์ได้เช่นกันมีสมาธิแต่ไม่มีสุตตะมยปัญญาไม่มีจินตามายปัญญา ไม่มีใครมาสอนมาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบำเพ็ญก็มีสมาธิแต่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนเรื่องสั ก, กะยะเรื่องสั ก, กะยะทิฏฐิเรื่องเรื่องสังโยชน์ที่มัดใจให้ติดอยู่กับวันเวียนว่ายตายเกิด ก็ไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พระองค์เลยจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองต้องทรงเจริญจินตามยปัญญาด้วยพระองค์เองพิจารณาดูสิ่งต่างๆดูร่างกายพิจารณาไปพิจารณามาก็เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงมันเป็นดินน้ําลมไฟไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ถ้าอยากไปให้มันแก่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยมันไปต้องปล่อยว่า ปล่อยมันว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือจินตามายะปัญญาของพระพุทธเจ้าควบคู่กับสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงมีอยู่จึงเลยกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาจึงทำให้พระองค์ได้ตัสรู้พระอริยสัจสีขึ้นมาทรงเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมักที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย เห็นรูปเห็นเห็นว่ารูปนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าอยากให้รูปเป็นนิจจังเป็นอัตตาคืออยากจะให้รูปคือร่างกายนี้อยู่ไป น, นานๆาไม่มีวันตายอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ภายใต้คำสั่งแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อย อย่าไปอยากร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงของร่างกายร่างกายจะแก่ก็ต้องปล่อยให้แก่ไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปร่างกายจะตายถ้าห้ามไว้ได้ก็ห้ามไว้ถ้าห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปถ้าปล่อยก็ใจก็จะไม่ทุกข์ นี่คือการละส ก, กายติฐิด้วยภาวนามายปัญญาสำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีสุตตรมยปัญญาไม่มีใครสั่งสอนไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อนนี่คือคุณภาพพิเศษของคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีผู้อื่นที่รู้มาสั่งมาสอนนั่นเอง ไม่ได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของไตรลักษณ์เรื่องของสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ทรงค้นคว้าด้วยพระองค์เอ ง, องทรงศึกษาก็จะเห็นสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้มีอยู่ในใจแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ นี่คือธรรมะที่พระเจ้าได้ส่งตัดสรที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบุคคลที่จะสามารถเห็นความจริงเหล่านี้ได้ด้วยตนเองนี้จึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นบุคคลอื่นนี้ ถ้าเห็นก็จะเห็นด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาก่อนหรือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาตามลาดับจากพระอาหารหันต์องค์หนึ่งสู่พระอาหารหันต์อีกองค์หนึ่งเลื่อยลงมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกที่บรรลุละสังโยชทั้งสิบประการนี้ได้ด้วยกำลังของสุตมะยปัญญาคือได้ยินได้ฟังจาก คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถือว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังอาหารหันต์ก็คือผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคือได้ได้ได้สุตตะมยปัญญา เมื่อได้สุตมะมยาปัญญาแล้วก็เอามาเจริญพิจารณาต่อจนเป็นจินตามายาปัญญาพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาก็จะเกิดภาวนามายาปัญญาตามขึ้นมานี่คือเรื่องของการละสังโยชน์ทั้งสิบประการเรื่องของการยุติการเวียนว่าตายเกิด เรื่องของการดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายต้องละด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะรู้จะละสังโยชน์ั้งสิทธะการนี้ได้เลยเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ในระดับของ พรพุทธเจ้านั่นเองแม้แต่มีคำสอนแล้วก็ยังไม่สามารถละได้เลยนับประสาอะไรกับการที่ไม่มีคำสอนแล้วต้องไปค้นค้าค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเองคิดดูว่ามันยากขนาดไหนขนาดที่รู้แล้วก็ยังละไม่ได้ได้ยินได้ฟังแล้วว่าสังโยชน์ทั้งสิประการนี้เป็นตัวผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารก็ยังไม่สามารถละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้เพราะไม่สามารถที่จะเจริญสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้และการที่จะเจริญสมาธิทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้ก็จำเป็นจะต้องมีสีนที่บริสุทธ การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ก็ต้องทำทานต้องสละทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่แสวงหาทรัพย์เพื่อจะได้มีเวลามารักษาศีลมาเจริญสมาธิและมาเจริญปัญญานั่นเองนี่คือคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้สัตว์โลกอย่างพวกเรา ที่ปรารถนาการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดการยุติของความทุกข์ทั้งหลายให้ได้บําเพ็ญกันเพราะจะพาให้ไปสู่การละสังโยชน์ทั้งสิิประการได้ต้องทําทานก่อนคือต้องสละทรัพย์สมบัติไม่ใช่แสวงหาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มีมากน้อยผิดเท่าไหร่ก็ให้สละไปหมดไม่ต้องไปหามันแล้วก็มาหาทรัพย์ภายในกันด้วยการรักษาศีลการที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นนักบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำมาหากินเมื่อไม่ต้องทำมาหากินก็จะไม่เสี่ยงกับการทำบา ถ้ายังต้องทำมาหาเกินอยู่ก็จะเสี่ยงต่อการทําบาปเพราะเวลาอยากจะได้อะไรก็าอาจจะต้องทําบาปเพราะว่าถ้าไม่ทําบาปจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการทําบาปก็จะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีศีลสองอยสเจดก็ดีก็จะอยู่ในวิสัยของนักบวชที่จะรักษาได้ถ้ายังเป็นคาลวะเป็นผู้ครองเรือนที่ยังต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาความสุขผ่านทางลาบยศ ส, สรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรดโผฏฐพัพาอยู่ก็จะเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปทำบา เพื่อที่จะได้ได้มาได้ได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาพาระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทําทานให้สละทรัพย์สมบัติให้สละการแสวงหาราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ออกจากการเป็นผู้ครองเรือนให้อยู่แบบนักบวช นี่คือขั้นที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บวชสำหรับผู้ที่บวชแล้วก็ทำขั้นที่สองขั้นที่สามได้เลยก็คือรักษาศีลแล้วก็เจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือสมาธิและปัญญานี่เองถ้าออกบวชได้แล้วถ้ายุติการแสวงหาราบยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็จะมีเวลามาภาวนาได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาได้แล้วเมื่อได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถละสังโยชน์ทั้งสิประการนี้ได้ละสังโยชน์ได้ก็บรรลุมักผลนิพพาน ขั้นต่างๆได้ทั้งสี่ขั้นละละได้หมดละภพชาติที่จะพาให้กลับไปเกิดใหม่ได้ตามลําดับจากเจ็ดชาติเหลือเพียงชาติเดียวและไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการที่จะออกจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด แก่เจ็บตายนี้เองดังนั้นเวลาเห็นความเกิดขึ้นมาก็อย่าไปตื่นเต้นดีออกดีใจที่ดีออกดีใจเพราะลืมมองว่าจะมีอะไรตามมานั่นเองดืมไปว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายตามมา จึงทาให้หลงดีอกดีใจยิ่งดีใจเท่าไหร่ก็จะต้องเสียใจมากเท่านั้นเพราะเวลาที่เสียสิ่งที่ตนรักไปก็จะต้องเสียอกเสียใจมากถ้าดีใจมากก็เสียใจมากถ้าดีใจน้อยก็เสียใจน้อยถ้าไม่ดีใจเลยก็จะไม่เสียใจเช่นพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่าพระมเหสีทรง คอดพระราชโอรสเท่านั้นแทนที่จะดีใจกลับร้องว่าบ่วงบ่วงเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ได้แสดงว่าดีใจแสดงว่าทุกข์ใจแล้วไม่ยินดีเลยไม่ยินดีที่จะได้ราชโอรสจึงสามารถที่จะสละราชโอรสได้อย่างไม่มีความเยื่อใยอยู่เลยไม่คิดแม้แต่จะแวะไปดูหน้าดูตา เพราะว่าทรงเห็นว่าถ้าไปยินดีแล้วจะต้องทุกมากนั่นเองถ้าไม่ยินดีก็จะไม่ทุกที่ทรงไม่ยินดีก็เพราะทรงเห็นว่าเมื่อเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปเท่านั้นเองอย่างแน่นอนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนจึงถือโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่ให้ได้ สละทานอันยิ่งใหญ่คือสละราชสมบัติสละความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะแล้วก็ส่งออกบำเพ็ญเพียรด้วยการบวช ด, ด้วยการรักษาศีลของนักบวชแล้วก็ส่งใช้เวลาทั้งหมดให้กับการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา เริ่มต้นก็จะเริญส ม, มถะภาวนาจนถึงขั้นอรูปปชาตได้ศึกษากับพระอาจารย์สองรูปที่มีความ ช, มชนานิชานาญในขั้นรูปปชาตและอรู ป, ประชาติแต่ไม่มีใครที่จะมีความรู้ในระดับวิปัสสนาภาวนาไม่มีใครรู้ว่าการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้อง ละสังโยชน์ทั้งสิประการเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะบอกพระพุทธเจ้าถึงวิธีที่จะละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้ไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าสังโยชน์สิบประการนี้คืออะไรเป็นอะไรก็เลยต้องทรงศึกษาต้องบาเพ็ญด้วยพระองค์เองตามลำพังทาไปลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ได้พบความจริง ได้พบสังโยชน์ทั้งสิบประการได้พบปัญญาที่จะละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาพอทรงเห็นสัจธรรมความจริงเหล่านี้ก็สามารถละสักกายทิฐทละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้ได้ พอละได้แล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกทุกทุกประการไม่ว่าจะเป็นทุกที่เกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบบุคคลที่รักบุคคลที่ชอบหรือการประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือบุคคลที่ไม่ชอบใจจะไม่รู้สึกหวั่นไหวจะไม่รู้สึกเดือดร้อน สามารถรักษาใจให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาความนิ่งเฉยได้ตลอดเวลาพระองค์จึงทรงรู้ว่าพบไม่มีต่อไปแล้วในพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีอะไรสามารถที่จะบังคับให้พระทัยของพระองค์ขยับขยื่นได้อีกแล้วก็ทรงรู้ว่าพบชาติไม่มีอีกแล้วนั่นเอง นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราถึงถือว่ามีโชคมีวาสนาเป็นอย่างไนงมากที่ได้มาพบกับ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่จะเกิดหรือปรากฏขึ้นมาได้บ่อยๆนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาเผยแผ่คำสอนให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งแล้วก็คำสอนนี้ก็มีอายุที่ไม่นานอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สำหรับองค์นี้ ท่านก็ส่งพยากรณ์ไว้ว่าไม่เกินห้าพันปีคือหมายความว่าผู้ที่จะสามารถรับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์ได้นี้จะรับได้ภายในห้าพันปีเพราะมันจะเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยคนที่จะสนใจศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาเผยแพร่เอามาถ่ายทอดจะมีน้อยลงไปเรื่อย ถ้าเปรียบอย่างถ้าเปรียบเทียบดูสมัยพระพุทธการกับสมัยนี้คนที่ศึกษาปฏิบัติจนบรลุพระพระอรหัตธรรคอรหัตผลนี้มีจํานวนมากกว่าสมัยนี้อย่างนับอย่างเปรียบอย่างวัดกันไม่ได้สมัยนั้นสมัยพระพุทธเจ้านี้มีพระอรหัรเต็มไปหมดแต่พอมาสมัยนี้นี่ พอใครพูดว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่ก็จะกลายเป็นของแปลกประหลาดไปเพราะไม่มีใครคิดว่าจะมีพระอาหารหันต์หลงเหลืออยู่ภายในโลกนี้แล้วแล้วถ้าไม่มีพระอาหารหันต์มาเป็นผู้สืบทอดคําสอนก็จะไม่มีผู้ที่จะมาศึกษาและสืบทอดคําสอนต่อไปได้เพราะจะเป็นการสืบทอดแบบไม่ตรงกับความจริงถ้าผู้ที่มาเผยแพผ่สั่งสอน ไม่ได้เป็นผู้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์เพราะว่าการการศึกษากับการปฏิบัตินี้ความรู้ไม่เหมือนกันความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อา่านนั้นนี้ไม่เหมือนกับความรู้ที่ได้เกิดจากการปฏิบัติจะไม่ไม่เหมือนกันเหมือนกับคนที่ เคยไปสถานที <lawsuit> ulously, ่หนึ่งกับคนที่ไม่เคยไปสถานที่หนึ่งคนหนึ่งได้เพียงแต่อ่านเกี่ยวกับสถานที่นั้นอีกคนหนึ่งได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วคนที่ไปถึงสถานที่นั้นจะพูดได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรส่วนคนที่เพียงแต่ได้อ่านเกี่ยวกับสถานที่นั้นก็จะก็จะต้องจินตนาการไปตามที่ตนเองอ่านว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เช่นประเทศอเมริกาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ได้อ่านมานี้ได้ได้อ่านเกี่ยวกับส่วนไหนของประเทศนั้นแต่ส่วนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่านก็จะไม่รู้แต่ถ้าได้ไปอยู่ที่นั่นก็จะได้สัมผัส ร, รับรู้ได้อย่างเต็มที่นั้ถ้าไม่มีการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีพระอาหารหันต์มาสืบทอดพระพุทธศาสนา ศาสนาก็จะค่อยๆจางลงไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามคําสอนได้เพราะคนสอนสอนไม่ถูกทางถึงแม้ว่าจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เวลาเอาไปปฏิบัติปฏิบัติกันแบบผิดๆถูกๆผลก็จะไม่เกิดเพราะคนที่ปฏิบัติถูกไม่มีไม่มีมาคอยมาสอนมาบอกว่ากําลังปฏิบัติถูกหรือผิดนั่นเอง นี่คือเหตุที่จะทำให้ศาสนาต้องเสื่อมหมดไปภายในห้าพันปีเพราะผู้ที่จะศึกษาปฏิบัติ บ, ตบตรรลุมรรคผลนิพพานนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนี่มาครึ่งทางแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับตอนเริ่มต้นกับตอนนี้จำนวนของพระอาหารหันต์นี้ก็มีแตกต่างกันมากแล้วอีกสองพันกว่าปีนี้ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลย แล้วหลังจากนั้นแล้วก็เป็นคำสอนที่ไม่สามารถที่จะยังให้เกิดขนขึ้นมาได้ศาสนาก็จะเสื่อมไปหมดไปก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดรู้แล้วก็เอามาสอนใหม่ถ้าคนสอนรู้ด้วยการปฏิบัติก็จะสามารถสร้างศรัทธาในใจของผู้ที่ฟังได้สร้าง กำลังใจสร้างปัญญาให้แก่ผู้ฟังนำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุผลได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งกระทำไว้หลังจากที่พระพุทธเจ้าส่งตัดสโลแล้วนำธรรมะมาเผยแผ่เพียงระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกนี้ก็มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปแล้ว ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันมาคบูชาเป็นวันที่มีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปได้เดินทางมาสัการะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนพระอาหารหันต์ทั้งหนึ่งพันสองอยห้าสิบรูปนี้เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้า และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนี่เพียงระยะเวลาเจ็เดือนเท่านั้นเองคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาคือวันอาสาหาบูชามาถึงวันเพ็ญเดือนสามก็เจ็บเดือนด้วยกันก็มีอย่างน้อยที่ปรากฏให้รู้อยู่ว่ามีพระอ า, ารามอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศพระธรรมคาสอนนี้ไม่มีพระอาลารแม้แต่รูปเดียวมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นก็คือช่วงที่ทรงตรัสรู้คือในวันเพ็ญเดือนหกกับช่วงที่มาประกาศพระธรรมคาสอนในวันเพ็ญเดือนแปดก็มีช่วงสองเดือนนี้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว มีพุทธะแต่ยังไม่มีธรรมะยังไม่มีสังฆะพระรัตนะตายยังมีไม่ครบองค์มีพระพุทธรัตนะปรากฏขึ้นมาแล้วในวันเพ็ญเดือนหพอในวันเพ็ญเดือน8ก็ส่งประกาศพระธรรมคําสอนก็ปรากฏพระธรรมรัตนะขึ้นมาณพอประกาศพระธระรมคําสอนเสร็จก็ปรกากฏมีผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลขั้น ที่หนึ่งขึ้นมาก็ปรากฏมีพระสังฆารัตน์ขึ้นมาพระสาวกพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกนี้ก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็คือพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เองนี่คือการปรากฏขึ้นของพระรัตน์ไตร และก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอแปดสิบปีพอสี่สิบห้าปีต่อมาก็เกิดการดับของพระพุทธรัตนาะก็คือการดับขันของพระพุทธเจ้าก็เหลือแต่พระธรรมรัตนะกับพระสังฆรัตนะที่จะมา อบรมสั่งสอนสัสตว์โลกให้ได้ปฏิบัติได้ละสังโยชน์กันและตอนนี้พระธรรมรัตนะกับพระสังฆลัตตนะก็มีน้อยลงไปจำนวนคนที่สนใจที่จะศึกษาที่จะออกบวชก็มีน้อยลงไปจำนวนคนที่จะบรรลุเป็นพระอริยรสงสาวก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปพระสังฆลัตตนะพระธรรมรัตตนะก็จะ หมดไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในโลกจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้พวกเรายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่หมดยังมีสังคารตานะยังมีธรรมรัตนะอยู่ พวกเรายังสามารถที่จะตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อยู่อยู่ที่ว่าพวกเราจะมีศรัทธามีวิริยะความอุตสาหะมีความอดทนมีความกล้าหาญที่จะดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ดำเนินได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีความกล้าหาญ ที่จะปฏิบัติตามมีความกล้าหาญที่จะสละความสุขทางโลกมีความกล้าหาญที่จะรักษาศีลให้บอยสุดมีความกล้าหาญที่จะบรรพ็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เราก็ยังจะรับผลได้อยู่เพราะว่าเรายังมีคนคอยนำทางเราอยู่ ถ้าเราเดินผิดทางเราก็ยังมีคนที่จะบอกเราได้อยู่เช่นถ้าเราปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลสักทีก็ควรที่จะเข้าหาคูรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปถามดูว่าทําไมถึงปไปไม่ถึงไหนเสียทีเหมือนกับรักษ า, รกษาโรค ก, กินยาแล้วก็ไม่หายสักทีก็ควรจะไปหาหมอตอนต้นก็ไปซื้อยาหมอตีมากิน กินไปกินมาก็ไม่หายสักทีไม่หายก็ต้องไปหาหมอแล้วรักษาเองไม่หายรักษาจากหมอตีไม่หายก็สแสดงว่าไม่ใช่หมอจริงก็ต้องไปหาหมอจริงดูถ้าไปเจอหมอจริงเขา้าเดี๋ยวหมอจริงเขาก็บอกอ๋อกินยาผิดขนาดกินยาผิดชนิดคนต้องกินยาแบบนี้เป็นโรคอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนี้ถึงจะหายพอไปเจอหมอจริงเขา้า ตามตามหมอจริงสั่งปับ๊บไม่นานก็หายนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสานะเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสานะเป็นที่พึ่งก็คือต้องศึกษาจากท่านและปฏิบัติตามท่านท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างที่ท่านได้รับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ที่จะเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้ท่านได้นํเอาไปเพนิสพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยถาวาเวาหาปุราบาลิกุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตตุชินางเปตานาังอุปกัปติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปาเมวาสัมมิตจตุสัพเเปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภว อาภิวาทานาสีนิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลังใครอยากจะถามอะไรไหมใครต้องการหนังสือก็มาหยิบได้นะหนังสือซีดีรูปภาพ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับที่เราจะได้นำเอาไปใช้กับการละสังโยชน์ละกิเลสตัณหาละเครื่องผูกมัดจิตใจที่ทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ อ, ไดอยากจะถามว่าลสัพพายะสุถิเนี่แค่การเขียนเช่นเดียวที่จะเป็นเสดวันแต่ยังละไม่ได้เช่นเดียวกัน อละได้่ <c oughs> คือต้องละความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายคือจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่บน่นไม่ร้องโอ้ปวดอย่างนั้นปวดอย่างนี้ไม่ทุกข์กับมันพูดยงไอออมั น, น่ามัน เป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตามันมันไม่เที่ยวครัคืออยางจะถามเรื่องการปฏิบัติยอมไปปฏิบัติมาก็มีเป็นแบบสองแบบคืออาณาปานัสสิกแล้วก็ดีเลยค่ะอาณาปานัสสิกเนี่ยถเราดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือเราจะดูว่าขันห้าไม่ใช่อรืไรนะ เราใช้วิธีจากอาาคามนิสิตุดดตนิสาตุท่านสาวโดยวิชิมีกับเพลิงคือเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติขราเนี้มันเรื่องของขั้นสติไม่ใช่เรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของสมาธิสตินี้ <ละ S 2> เป็นเหตุที่จะทําให้จิตสงบเป็นสมาธิะะาให้จิตรวมเป็นเอก ข, าขาตารลม <วะ S 2> ให้เป็นหนึ่งให้ศัพด์แต่ว่ารู้เป็นอุเบขา ถ้ายังไม่เข้าถึงจุดนั้นแล้วความคิดต่างๆที่เรียกว่าปัญญานี้จะเป็นเพลงจินตามายาปัญญาจะไม่เป็นภาวนามยะปัญญาเพราะจะไม่สามารถปล่อยวางสังโยชน์ได้ไม่สามารถปล่อยวางาสักจจะทิฏฐิได้แล้วเราสมมุติเราเป็นถึงขั้นนั้นแล้วเราจะละตอนไหนเราต้องเอาคิดมาใช่ไหมคะก็ละ <c oughs> ลตอนที่ไปหาหมอไงหมอบอกคุณเป็นโรคมเนะเร็งแล้ว อ่าตอนนั้น่ะเป็นข้อสอบจะได้รู้รอใช่อมันต้องรับตอนที่เจอของจริงเลยมันทําการบ้านกับเข้าห้องสอบมันเหมือนกันไหมใช่ไหมคุณจะรับปริญญาคุณก็ต้องสอบสลไม่ใช่คุณบอกว่าฉันเรียนมาแล้วใช่นานหนังสือมาแล้วฉันรู้แล้วขอรับปริญญาขอไม่ได้อยากจะรับปริญญาก็ต้องมาสอบก่อนมาขอมาตบหน้าทักทีก่อนขอตบหน้าทักทีก่อน ดูที่จะว่าอย่างไรง จ, จะถึงขั้นนี้เราก็ต้องทําบ่อยๆถึงไม่บ่อยบ่อยไม่บ่อยไม่สาคัญขอให้มันทําได้ก็แล้วกัน บ, <laughs> บางคนไม่บ่อยพอเขาฟังเขาเข้าใจปั๊บเขาก็ไปได้เลยก็มีเขาก็ปล่อยได้บางคนทําบ่อยทํานานก็ไม่ยอมปล่อยสักทีไม่ยอมละสะักทีมันอยู่ที่ว่าใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวหรือเปล่าตัดได้หรือเปล่าใจเด็ดหรือเปล่า ถาใจไม่เด็นมันก็เอมันก็อ้อยอิงไปอยู่เรื่อยๆเสียดา ย, ด ย, ยอ่าก็ต้องเข้าห้องสอบตรงนั้นแหละทุกคนต้องเข้าห้องสอบตรงนั้นเน่ยนั่นจะไปรู้ว่าสอบผ่านก็ไม่ผ่านใช่ไหมก็ได้ไปหาดูสิเวลาฟ้าผ่าก็ออกไปวิ่งอออไม่ใช่เวลาฟ้าผ่าก็วิ่งเข้าห้องบ้านปิดประตูเงียบอ ก็คนเขาบรรลุในปากเสือก็มีใช่ไหมใน้าพยนตร์บีด้ก็มีแสดงไว้เมืเ่อนีภาพ ร, รูปหนึ่งบรรลุในปากเสือวิ่งไปหาเสือให้เสือกัดตายพอกัดตายก็ปล่อยได้เลยทั้งนั้นนะ่หรือให้เครื่องบินตกก็ได้ไม <ป S 2> <อ>่ละก็ตอนไหนก็ลองขึ้นไปดูเลย <c oughs> <c oughs> นะมันต okay? mm ้องเห็นความจริงเห็นความตายหรือเวลาเจ็บก็นั่งนั่งแล้วเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปลุกอย่าไปเปลี่ยนนิรยามบุญให้มันหายไปเองหรือไม่หายก็อยู่กับมันไปนี่ค่ะแล้ามันหายไปเองนี่แปลว่าเราถึงขั้นถ้ามันโอเคเราเห็นว่าไม่ใช่เราเราเห็นแล้วแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับแล้วก็หายไปแล้วอย่งนี้แปลว่าอะไก็แปลว่าเราผ่านเวทนาทุกขเวทนาเราไม่เราไม่ทุกขกับทุกขเวทนา เราก็ต้องไปหาตัวความตายต่อเออมันมันในสักกายะทิฏฐิมันมีทั้งห้าส่วนคนาแล้วดูรูปก็คือความตายใช่ไหมคะตาแล้วอันสังขารจะดูตรงไหนวิญญาณตรงไหนสังขารก็ไม่ให้ไปปรุงแต่งไปทางตันหาไงอ่าตัญญาก็ให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟ เป็นเพียง<อ>ดินน้ําล ม, ม, มไฟวิญญาณก็รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ว่ามันออันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็ปีละสักการียิ่งอัลลฮฺมันต้องมันละมันต้องละวิชาในจิตมันต้องละสังโยชน์เบื้องบนสิที่มันมันอริสสัศีหลายระดับเลยระดับขนันกับระดับจิตมันเอมันมียากล่างละเอียดเยู่ระยะกลางก็อสุภะเนี่ย ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ตัดการมราคะปฏิราคะได้ปฏิฆะได้ไม่เเห็นของสวยให้ไม่สวยเห็นสวยไม่เป็นสวยเดี๋ยวเห็น<า>มไม่สว ย, สวยเป็นสวยก็ได้เ<า>ห็นสองอย่างได้ใช่ไหมคะจำเป็นหรือแค่เห็นไม่สวยก็โอเคแค่นั้นคือเราต้องการละการมราคะความยินความกําหนัดยินดีในกามนี่มันมันยินดีเพราะอะไรเพราะมันไปเห็นของสวยของงาม มันไม่ได้ไปเห็นของไม่สวยไม่งามคนไปเห็นสร้างศพแล้วเกิดการมาราคาก็ให้ดูสร้างศพเพื่อจะได้ดับการมาราคาไงพระพุทธเจ้าบอกให้ภระรูปหนึ่งไปดูสรางศพของนางโสเพณีรูปหนึ่งที่มีมีชื่อเสียงว่าโด่งดังว่าสวยงามมากมายพอดีแกตายไปก็เลยให้ภาพไปดูพอไปดูก็เลยดับการมาราคาได้มนุได้ เั้นงั้นจะงั้นจะมองแต่ตอนที่แกสวยไม่ยอมมองที่ตอนแกตอนที่แกไม่สวย ม, มากพรออาจารย์ครอบวันนั้นคุยอาจารย์เรื่องที่แบบพอนั่งเจ็บยอมก็เผาเลยแต่ว่ามันต้องมีภาพขึ้น่งมาภาพเผาในตะัวเผาศพของพรอาจากก ร, รย์เกษมไรศพเลยเผาเผาเผาเผาเผาจนเหลือนิดนึงแล้วความเจ็บมันก็หายไป มันก็ได้แค่นี้มันก็ไม่บรรลุอะไรเลยกะทำเลยตอก็คือเป้าหมายก็คือให้เราไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บเนี่ยตอนนี้ยังกลัวอยู่เปล่าก็เจ็บไม่กลัวมันไม่ได้เจ็บเลยค่นี้พอมันจะเจ็บปุ๊บสติมันจะถึทงทันทีแต่ว่าตายไม่แน่ยัง ไ, ไ, ไม่เคยตายเลยนี่ก็ต้องไปหาเสือเนี่ย <laughs> ไปหาเสือหางูก็ได้เอไปอยู่วัดป่าแล้วก็ตอนคืนก็ออกเที่ยวหาเสือหางู ออ่่าก็ก็มันไม่ใช่ตัวเราไปกลัวทำไมของของของคนอื่นคุณกลัวไหมเวลาบ้านคนอื่นไฟไหม้คุณกลัวไหมแต่พอเป็นบ้านของคุณขึ้นมาทําไมกลัวขึ้นมาใช่ไหมเพราะเพราะคุณไปหลงคิดว่าเป็นของคุณไงถ้าคุณอยากจะพิสูจน์ว่าคุณไม่เห็นว่าเป็นของคุณคุณก็ต้องไม่กลัวมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเข้าใจแล้วนะ มีอีกไห ม, มคำถามมีอีกไหมก็เอาโซด า, าก่อนก็แค่นี้ใช่ไหมเอาโซดเอาโซดากับแม่โค้งอะอโซดากับแม่โค้งสอพูดบ้างมันไม่เดือดร้อนไมได้แต่ที่นนี้คือเน่นเรื่องขันห้าเอ็อขันห้าความที่หลงไม่เห็นไตายลักในขันห้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นร่างกายเราแล้วก็เห็นว่าเป็นเป็นตัวเราของเราพอเป็นตัวเราของเราก็อยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันตายก็เลยมองไม่เห็นว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นผิดเห็นผิดเห็นกับตาตัดมิจฉาทิฏฐิสกายะทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐินี่เองเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกเบี้ยหลงว่าเป็นของเราหมดใช่พออะไรเป็นของเราก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา อยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไป น, นานๆพอเขาไม่เป็นขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเยนต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราความเจ็บของร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นคนเจ็บเป็นความเจ็บของร่างกายเราไม่เจ็บเราดูคนเจ็บเราเป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้หมอก็ไม่ทุกข์กับคนไข้ใช่ไหมใจก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายถึงจะถูก ถ้าใจมีปัญญาก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าใจไม่มีปัญญาไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ต้องแ ย, แยกแยกใจออกจากร่างกายที่รวมถึงวาญาติพี่ น, อน้องปัญญาเป้าควรโดยโอ๋ออ้นั่นยิ่งไปไกลใหญ่ ใหนั่นง่ายกว่านี่เยอะไม่มีใครรักคนอื่นเท่ากับรักตัวเราหรอกใช่ไหมแต่ราพิสูจน์คนอื่นก่อนก็ได้ข้อสอบง่ายง่ายก่อนว่าเวลาคนที่เรารับตายไปหรือเป็นอะไรไปเราจะทุกข์ใจหรือเปล่าหรือเราจะเฉยเฉยแต่อย่าไปดีใจนะถ้าดีใจแสดงว่า <c oughs> ไม่รักใจไม่ไม่รักกันจริงใช่ที่เมื่อกี้ท่านอาจาร แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นคน อ, ยอยื่นเนี่คยคนอื่นเจ็คนอืนป่วเทียนี่เราก็เฉยเฉเพราะมันไม่ใช่ญาติพีอเาไม่ได้คลนแค่ชีวิตเร า, าเพราะเราไม่ไปผูกพันกับเข า, านนแบบไดียวกันใช่พิจารณาได้่อ ย, อยวาเพออะไรเป็นของเราปั๊บเนี่ยทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเป็นรถของเรานี่ยขยับไปขีดหน่อยเอาเอาอะไรไปขีดให้มีรอยขีดข่วนขึ้นมาหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว ถ้าเป็นรถคนอื่นไม่ใช่เรื่องหรอเนี่ยไม่เดือดร้อนแต่อันนี้เราก็อาจจะต้องปล่อยวางของนอกกายก่อนเพื่อช่วยถึงใหญใช่ก็ต้องทําจากของง่ายไปสู่ของยากเนี่ยตอนต้นกสละทรัพย์ก่อนเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเอมีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดถ้ า, ถาเ้วก็ไปอยู่แบบไม่ชี้ไปอยู่แบบขอทาน ไปกินปเป็นไปกันแจ๋วอยู่ในวัดนึงไปกินตามมีตามเกิดว่าขอถาจ๋วค่ทธาค่ะขอถามในเรื่อง เ, ออเวลานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิโดยการที่ว่าสมมติว่าวิจิตวิจารเราข้ามรรคจิตแล้วแล้วพอไปถึงไปสุดเราจะเห็นได้นะโอไ้อออสิ่งที่มันความปวงแต่งมันหมดแล้วมาเป็นจิบตเห็นมันดับไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยไอ้อที่ไม่เคยมีก็มีไอ้อมีแล้วก็ หายไปเห็นเป็นใจรักจากการนั่งได้นะคะจากการที่ข้ามข้ามขั้นขได้แต่มันไม่มันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของสังโยชน์เห็นได้แต่มันไม่สําคัญเพราะเราการนั่งสมาธินี่เพื่อต้องการดึงจิตให้เข้าสู่อเบกขาเท่านั้นเองทีนี้เวลามันจ ะ, เ, นวะเวลามันเข้าอุเบกขานี่มันจะผ่านปิติสุขอะ้รก็เรื่องของมันมันเป็นขั้นตอนของการเข้าสู่เ<ม>ข้าสู่ฌานสี่เ<ม>ข้าสู่อัปปนามันจะต้องผ่าน วิตกวิจารสุขอะไรไปอแล้วก็เปไ็นในที่สุดท้ายก็เหลือแต่อุเบกขาอันนั้นแหละคือจุดที่เราต้องการดึงจิตเข้าไปถ้าขับรถก็ต้องการจะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองเกียร์สามเพื่อเข้าเกียร์สี่หรือเกียร์ 5, ห้าะแต่เวลาที่มันเปลี่ยนนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเสียงรถจะดังขึ้นเบาลงนี่ก็เรื่องของมันไม่สําคัญอะไรอืม ไปดูตายรักแบบนี้ก็ไม่มีความสาคัญเพราะเราไม่มีความผูกพันกันให้ดูตายรักในสิ่งที่เรามีความผูกพันด้วยเช่นเงินทองนี่เวลามันลดลงไปสักร้านอย่างนี้เอ๊ะไปธนาคารครับนี่ดูทำไมมันหายไปร้านหนึ่งดูซิจะเฉยหรือเปล่าหรือว่าธรรมดาขึ้นๆลงๆรลอวต้องตรวจสอบกันวุ่นวายไปหมด ไม่ยอมคิดว่าคิดว่าเราเน่ต้องสุบซุบแล้วทําบุญเคยแสนนึงไม่เสียดายแล้วก็ต้องทำเพิ่มไปเรื่อ้านแล้วก็ไม่เสียดายมันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อๆอย่างนี้แปลว่าเราเริ่มเริ่มปล่อยวางมากใช่ก็ทดสอบไปเรื่อยๆว่าเราจะปล่อยได้หมดหรือยังดูพระพุทธเจ้าท่านปล่อยหมดเนี่ยต้องหมดเลยใช่ไหมคอต้องไปบวชน่ะเวลาจะเทแล้วบอกด้วยกันเขาก็ไม่เทให้เราหรอก คื <peach> อโยมปฏิบัติแรกๆ ก, ก็จาได้แต่แบ <c oughs> คิดมากคิดแล้วบอกต้องจบแล้วอ่ะลืมแล้วนะเรื่องนี้จบๆกลับมาทีโอโหเจ็บเต็มเลยแต่ตอนหลังนี่มันมันไม่คิดแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่คิดแล้วมไม่แวเ <s> ข้ามาก็ดีก็แสดงว่าปล่อยดีก็ไม่แว็บเลยแวเลยม็อ่างันดีขึ้นใช่อแต่บัญชีธนาคารยังแว็บเข้ามาอยู <c oughs> ่ าอทีนี้มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตไหมตอนเดียวก่อนแต่คำคำว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ในอริยสัจสัอย่างเดียวมีความหมายไม่รู้อะไยู่แลสัจสีเนี่ยแต่อริยสัจสีมันมีมันมีหลายระดับไงระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดระดับหยาบก็เนี่ยในลาบยศสารเสาร์เนี่ยมันก็มีทุกข์กับมันไหมคุณทุกข์กับเงินทองทุกข์กับลาบยศหรือเปล่า ทุก็แสดงว่าคุณยังไม่เห็นอริยสัจสี่ว่าคุณยังมีความอยากในราบยศสนเสริญอยู่ถ้าเข้ามาขนาดกลางก็เข้ามาที่ขันห้าอันนี้ก็ทุกข์กับขันห้าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากในขันห้าแล้วทุกที่ละเอียดที่สุดอวิชาก็ในในจิตนี่ไม่เห็นว่าจิตก็มี ก็ก็มีอนิจจังทุกขังวนตตาอยู่ในจิตเหมือนกันยังติดอยู่กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยู่ในจิตคือความสุกอันละเอียดเนี่ยขั้นดูปชาณารูปราร้ปชาณรู้ปชาณ์รู้ปชาณมันก็เสื่อมได้เจะเนินแล้วก็เสื่อมได้ไม่เห็นตัวนี้ยังพยายามที่จะไปรักษาให้มันสุขอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันเสื่อมมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าเห็นความจริงว่ารักษามไม่ได้มันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสริมไปเพราะเพราะปล่อยได้มันก็มันก็ไม่หลงไปยึดติดกับรูปประพบอรูปประพบมันก็หลุดจากเอารูปประพบก็ไปถึงพระนิพพานได้ต้องปล่อยทุกอย่าง <c oughs> ตอนต้นก็ติดที่ขานห้าต่อมาก็มาติดที่ความสวยงามของร่างกายติดภรรยาติดสามีติดร่างกาย เส็ล้พอปล่อยได้ก็ไปติดกับความสงบภายในใจติดกับรูปประชานะรูปประชานติดกับมานะการถือตัวตัวตนตาตัวตนว่ายังมีตัวตนอยู่จิตยังมีตัวตนอยู่จิตเราเราสูงกว่าเขาต่ำของเขาเท่าขเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมานะนะความถือตัวต้องไม่มีเลยจิตเป็นตัวรู้เฉยๆไม่ใช่ตัวตนให้มันรู้เฉยๆเหมือนกล้องถ่ายรูป มันถ่ายภาพมันไม่รู้ว่ามันไม่ได้ถือว่าภาพที่มันถ่ายนี่ต่ำกว่ามันหรือสูงกว่ามันเวลาเราเจอใครนี่เราต้องรู้ว่าเขาไม่สูงกว่าเราไม่ต่ํากว่าเราไม่เท่าเราเขาเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถ้าร่างกายก็ธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟถ้าใจเขาก็คือธาตุรู้เท่านั้นเองใจเราก็ธาตุรู้เหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันหมดถ้าไม่มีความหลงเราจะเห็นว่าทุกคนเหมือนกันหมดอ่มา ถามทางอินเทอร์เนต็ตมากครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอวิชาโตนะครับจากคนจากคุณชิวเอนะครับถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านและการที่เราต้องใช้วัคซีนให้สุนัขเพื่อป้องกันเห็บมัดซึ่งทำให้เห็บมัดตายจะบาปไหมในเมื่อเราพยายามรักษาสุนัข เพราะถ้าปล่อยให้สุนัข ก, ก็จะเป็นโรคต่างๆได้หรือควรทำอย่างไรดีคือการทำบาปเนี่ยมันวุ่นว่ด้วยเหตุผล ก, ไกลไกใดมันก็บาปทั้งนั้นเพียนแตยะว่าจะบาปมากหรือบาปน้อยเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่ถูกทำลายเช่นบุคคลหรือสัตว์ที่ถูกฆ่าเนี่ยก็มีมีผลต่างกัน คือถ้าเป็นคนที่มีคุณมากก็จะบาปมากคนที่มีคุณน้อยก็จะมีบาปน้อยเช่นถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยบาปหนักกว่าฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฆ่ามนุษย์ก็หนักกว่าฆ่าสัตว์สัตว์ก็มีสัตว์ที่มีคุณกับสัตว์ที่ไม่มีคุณมันก็ต่างกันอีกฆ่าวัวฆ่าควายที่เราเอามาใช้ทำไล่ไถนาเนี่ยเขาก็มีพระคุณกับเรา ค่าหมัดนี่มันก็มันก็ไม่มีพ่อคุณอะไรกับเราบาปมันก็หนักเบาต่างกันแต่จะถามว่าบาปไหมมันก็บาปทั้งนั้นการฆ่ามันบาปทั้งนั้นไม่ว่าจะฆ่าใครก็ตามก็ mm. <glaube. S 2> ให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราฆ่าอะไรเราก็ต้องกลับไปเกิดให้เป็นสิ่งนั้นให้เขาฆ่าก็แล้วกันฆ่าหมัดก็ต้องไปเกิดไปเป็นหมัดให้เขาฆ่าฆ่าปลาก็ต้องกลับไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่า ฆ่าพ่อค่าแม่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นพ่อแม่ให้ลูกมาฆ่าเราออนเก๊กอย่างนี้เราจะได้ไม่กล้าทำบาปคำถามพ่อต่อไปจากคุณน้ำเต้าหู้นะครับเมื่อเราพบเจอสิ่งต่างๆถ้าเรามีจิตต้องการจะแผ่เมตตาวิธีปฏิบัติเราควรทำอย่างไรอธิษฐานหรือท่องบทอะไรไม่ก็มีกว๋วยเตี๋ยวก็ไปเอากินด้มีขนมก็ไปแบ่งกัน ไปไปท่องไปแผ่อะไรเข้าใจมะคือใจเราต้องมีความแบ่งมีมีมีความเมตตาคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาอันนี้ก็กรุณาแต่ถ้าอยากจะผูกมิตรอย่างเงี้ยอยากจะสร้างมิตรก็เราก็มักจะซื้อของไปฝากคนนั้นฝากคนนี้อันนี้แหละคือการแผ่เมตตาที่แท้จริง ต้องแผลด้วยการกระทําไม่ใช่แผลด้วยการนั่งคิดแล้วให้มันลอยออกไปจากใจเราไอคนเขารับเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาเขาใจไหมหรือว่าเวลาที่เขาทําให้เราโกรธเราก็เฉยยิ้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือสาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่โกรธแค้นโกรธเครื่องให้อภัยอันเนี้คือการแผ่เมตตาแต่ที่เราแผ่กันแบบที่เราทําใน ในห้องพระนี่มันเป็นการทำการบ้านในการซ้อมไว้ก่อนเหมือนกับเวลาที่เราจะเล่นละครเล่นเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมกันไว้ก่อนพอถึงเวลาเราขึ้นเวทีเราก็จะได้เล่นได้อันนี้ก็เหมือนกันเราฝึกแผ่เมตตาไว้ก่อนยิ้มให้กับคนนั้นยิ้มให้กับคนนี้เวลาก็ด่าล้วก็ยิ้มนรไม่ใช่เวลาพ่อก็ด่าล้วก็หน้าตาบึง้งตึง อถ้าเราไม่ซ้อมมันมันก็จะยิ้มไม่ออกก็้าใจไหมแต่ถ้าเราซ้อมมันคนนี้ด่าเรานะแต่เราต้องยิ้มให้เขานะพเราคิดอย่างนี้เวลาเราเจอของจริงเราจะได้เ อ, อยิ้มได้อ่อเข้าใจไหมเนี่เยเราแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกับเหตุการณ์จริง เ, ออเวลาอยู่ตามกำแพงนี้เป็นเป็นการซ้อมเป็นการทําการบ้านแต่เวลาเจอของจริงเนี่ยเป็นเวลาเข้าห้องสอบ เ, ออเวลาใครก็พูดอะไรขัดใจเราเนี่ยยิ้มได้หรือเปล่าเฉยได้หรือเปล่า ไอ้อย่างนี้แสดงว่าการที่เราแผ่เมตตาหลังสวดมนต์หรือการทําสมาธิเนี่ยไม่มีผลต่อผู้รับเลยครับอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีใครก็รับดูนอกจากพวกเทวดาถ้าเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็แผ่ก็แต่เวลาเจอเทวดามักจะขับไล่เขาไปไปไปไปเร็วเว กลัวเขาวันนี้อย่าไปกลัวเขาถ้าเราเจอกายทิปแล้วก็ต้อนรับเขาเหมกับเราเจอกายหยาบนี่แหละก็ทักทายทักทายกันสวัสดีกันว่ามา ไ, ไมาไปยังไงมายังไงมาจากที่ไหนเออ่าคนที่เขามีมีพลังจิตเขาเขาเข า, เขาเจอกันนะอย่าง้คุณแม่ชีแก้วเนี่ยท่านบอจะมีดวงวิญญาณของศ์ที่ตายไปแล้วมาเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่เขาบอกเขาก็มาในรูปร่างหน้าตาของมนุษย์นี่แหละ แต่เขาเล่าว่าเขาเป็นควายบ้างเป็นวัวเป็นหมูป่าบ้างถูกเขาฆ่าตายอแล้วก็มาปรับทุกข์มาอะไรแล้วก็จะมาขอขอส่วนบุญคือเขารู้ว่าพรุ่งนี้เออ่คนที่ฆ่าเขาเนี่ยจะเอาเนื้อของเขามามามาถวายก็ขอให้คุณแม่ได้รับเ อ, อรับทานของเขานี่ด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญให้กับเขาด้วยอืม แต่ไม่ใช่พวกเราพอเห็นกายทิพย์มาก็าไปนี่ไม่แผ่เมตตาแล้วนี่แผ่แบบไล่ไม่ใช่แผ่เมตตาแบบแผ่แบบดึงเข้าไว้ไม่ใช่ผลักเข้าไปอะไางคำถามข้อต่อไปจากบุญพจนะครับเวลาภาวนาขณะจิตมุ่งดิ่งเข้าสู่สมาธิจนสติความไม่ทันทำให้เหนื่อยมาก จนแทบขาดใจจะภาวนาต่อไปหรือหยุดแล้วเริ่มใหม่ขอคำแนะนำเพิ่มเติมตอนนี้ผมหยุดภาวนาเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปคือเวลาภาวนานี่ไม่ต้องไปสนใจกับผลที่เกิดขึ้นขอให้เราตั้งอยู่ที่เหตุคือองค์ภาวนาของเราถ้าเราใช้ลมหายใจก็ให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว สนจิตจะดิ่งไม่ดิง่งจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับลมหายใจไปถ้าใช้การบริกรรมพุทธโธก็ให้บริกรรมพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ว่าจิตจะเป็นอย่างไรจนกว่ามันจะหยุดไปเองจนกว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วลมมันก็จะหายไปเองบทการบริกรรมพุทธโธก็จะหยุดไปเองถ้ายังบริกรรมได้ก็บริกรรมไป ถ้ายังดูลมได้ก็ดูลมไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องเรียกว่าอน า, านาปนสติหรือพุทธานุสติอย่างนี้ถ้ามีสติอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจิตจะต้องรวมเข้าสู่อัปปนาหรือรวมเข้าสู่อุเบกขาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เกาะติดอยู่กับการเจริญสติพอ มีผลอะไรเกิดขึ้นมาก็ไปติดตามผลที่ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็จะเขว้จะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการภาวน า, างนั้นเวลานั่งเราอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ให้เกาะติดอยู่กับการดูลมหรือให้เกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกกตาลมเป็นอุเบกขา แล้วตอนนั้นมันก็จะหยุดการภาวนาไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารเราก็รับประทานไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลว่าอิ่มหรือยังรับไปดังพอมันอิ่มแล้วมันก็จะหยุดรับประทานเองถ้ายังรับประทานได้ก็แสดงว่ายังไม่อิ่มคำถามข้อต่อไปจากคุณวั น, นภา การเปลียนถามเรื่องเวทนาทางจิตเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรการภาวนาครูบาอาจารย์บอกไว้ว่าให้วางทุกอย่างเพื่อให้เกิดความว่างถ้าว่างแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรคือเวทนาทางจิตก็คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี่เองคือเคย อ, อริยาาสรรัจสีคือ ทุกที่เกิดจากความอยากนี้เรียกว่าเป็นเวทนาทางใจส่วนเวทนาทางร่างกายนี้เกิดจากเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปเตะของแข็งหรือไปถูกของแข็งหรือถูกของอากาศเย็นอากาศร้อนอย่างนี้ก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาแต่ทุกขเวทนาทางใจเกิดจากความอยาก เช่นเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยแล้วอยากจะให้ร่างกายหายแต่มันไม่หายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเวทนาทางจิตเวทนาทางจิตนี้เกิดจากตัณหาสามประการคือการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวทนาทางจิตกับเวทนาทางกายนี่คนเราเวทนากันเวทนาทางจิตเราไม่เรียกว่าเวทนาเราเรียกว่าทุกข ในอริยาศาสตร์สี่ทุกที่เกิดจากความอยากต่างๆเช่นอยากให้เขาดีกับเราแล้วเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอยากให้บ้านเมืองสงบตอนนี้ไม่สงบก็ทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นว่าบ้านเมืองก็เป็นอานิจจังมีเจริญมีเสื่อมมีสงบมีวุ่นวาย เราไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นตอนนี้เขาวุ่นวายก็ต้องปล่อยให้เขาวุ่นวายไปแต่เราจะไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะเราทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอันนี้คือเรื่องของเวทนาทางจิตส่วนที่ถามว่า เวลาทำใจให้สงบให้ว่างแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรก็อย่างที่วันนี้แสดงทำไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าความสงบนี้ความว่างนี้จะเป็นฐานที่จะทำให้เราเห็นอริยสัจสี่เวลาเวลาจิตสงบจิตเข้าไปข้างในเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาจิตจะเห็นชัดทันทีเราจะเห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ว่าเกิดจาก ตันหาความอยากทันทีแล้วก็จะหยุดได้ด้วยเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเช่นอยู่นอกบ้านแล้ว เ, เห็นสุนัข ก, กำลังทำลายข้าวของในบ้านเราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งสุนัขไม่ให้ทำลายข้าวของได้เพราะเราอยู่ข้างนอกบ้านเราต้องเข้าไปในบ้านก่อนเราถึงจะไปจับตัวสุนัขให้มันหยุดได้ การที่เรามีความทุกข์ใจแล้วเราหยุดมันไม่ได้ก็เพราะว่าใจไม่ได้อยู่ข้างในใจใจอยู่กับเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์ใจไปอยู่ที่ราชดำเนินนู่นไม่เข้ามาข้างในใจไปอยู่ที่นั่นก็ทุกข์ใจอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าความทุกข์ใจไม่ได้อยู่ที่ราชดำเนินความทุกข์ใจอยู่ที่ข้างในที่เกิดจากความอยากของเราอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันถูกต้อง แต่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องใจเราก็เลยทุกวิธีแก้ความทุกข์ของเราก็คือต้องไปที่ราชดำเนินเพื่อที่จะได้ทําให้มันดีทําให้ถูกต้องแล้วใจของเราจะได้หายทุกแต่เราเราไม่ได้ไปราชดำเนินเราเข้าป่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็ทําใจเราไม่ให้ไปอยากให้เขาดีให้เขาถูกต้องเพราะรู้ว่าทาไม่ได้ เขาจะดีหรือไม่ดีจะถูกต้องไม่ถูกต้องนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปสอนเขาไม่ได้เขาไม่ทำตามเรานถ้าเราต้องการแก้ความทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกิดจากความวุ่นวายของบ้านเมืองเราต้องเข้ามาแก้ข้างในใจเราเพราะความวุ่นวายใจมันอยู่ข้างในตัวที่ทำให้วุ่นวายใจมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ถนนราชดำเนินตัวที่ทาให้เราวุ่นวายใจ คือตัวความอยากของเราหมาที่มันอยู่ในบ้านเราเนี่มันอยู่ข้างในเราต้องเข้ามาตีหมาตัวนี้ให้มันหยุดเห่าให้มันหยุดกัดข้าวกอดของนั้นการที่จะเห็นในตัวนี้ได้ต้องเข้าไปข้างในจิตต้องว่างจิตต้องสงบเวลาจิตว่างจิตสงบมันจะนิ่งเฉยเฉยพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะกระเพิ่มขึ้นมาก็จะรู้ว่าอา๋อไอ้ตัวนี้เองที่ทาให้ใจเรากระเพิ่ม ก็ต้องอยุดไน้ตัวนี้นี่คือปัญญาทางทางการปฏิบัติไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกต้องไปศึกษาอยากจะรู้เรื่องโลกพระจันทร์ก็ต้องส่งยานอวากาศขึ้นไปศึกษาถึงจะรู้ว่าโลกพระจันทร์เป็นอย่างไรแต่ปัญญาทางศาสนานี้ต้องการรู้ทุกที่มีอยู่ภายในใจรู้เหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาภายในใจก็ต้องเข้าไปศึกษาในใจต้องทาใจให้สงบ พอใจสงบแล้วที่นี้ก็จะเห็นใจว่าง า, า, าเวลาใจเราว่ามีมันก็อาจจะมีอะไรก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งอะไรเราก็จะเห็นชัดใช่ <c oughs> ใชอตรงนั้นแหล ะ, ะถ้าใจเราเนิ่งเฉยๆล้วมีความสุขก็อยู่ดีมันกับเพื่อไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อไปคิดถึงเรื่องการอะไรแล้วล่ ะ, ะจะให้ค น, นถามเนี่ย จ, จะเข้าใจว่ามันมแง่เราไม่ได้มีอะไรเกิดเขาไม่รู้ ใ, ใช่ ว่่านจะคิดกันอย่างี้คนก็เลยชอบสอนแบบนี้ว่าสงบม่ีปัญญาใช่ะอาจารย์ต้องลึกกว่านี้ปว่ามันไม่มีสงบเพราะมันอนิจังมันไม่ตลอดใช่มระจาจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาขณะที่เราว่างเุราจะเห็นทันทีถ้าใจยุ่งๆมันไม่เห็นพอพอกิเลสออกมาปั๊บมันก็จะไว่างทันทีก็จะรู้ว่าในตัวนี้คือกิเลสนี่แหละก็คือปัญญาปัญญาในอริยสัจสี่ คือเห็นสมุทัยเห็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาว่าเป็นตัวที่ทำให้ใจกระเพื่อมใจกระเพื่อมก็คือความทุกข์ใจนี่และก็หยุดมันสิก็ต่อไปก็จะไม่มีตัณหาเกิดขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่มันกระเพื่อมขึ้นมาเราก็หยุดมันหยุดมันด้วยปัญญาก็สอนมันใช่มันมันวุ่นวายกับเรื่องบ้านเมืองก็ถามมันแล้วเราไปทําอะได้เปล่า บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้คุณไปทําอะไรมันได้หรือเปล่าอ่าเมื่อมันพิจารณาแล้วมันยอมรับความจริงแล้วทำอะไรไม่ได้มันก็หยุดมันก็ไม่หยุดอยาก็ปล่อยจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญานี่คนคนละส่วนกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่หรอกมันไปด้วยกันแต่เบื้องต้นจะต้องมีสมาธิก่อนมันถึงจะเกิดปัญญาได้คือมันถึงจะเห็นเหตุการณ์ภายใน ภายในใจได้ใจต้องเข้าไปข้างในกันใจต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจก่อนให้มันกลับไปที่ศูนย์แล้วพออะไรมันโผล่ขึ้นมาก็จะได้รู้ว่ามันบวกหรือมันลบถ้ามันใจคิดไปในทางดีมันก็บวกพอคิดจะปล่อยวางคิดทำทานมันก็สงบพอคิดโลภคิดอยากได้มันก็จะวุ่นวายขึ้นมามันก็จะเห็นเห็นทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษ ก, กับสถานการณ์บ้านเมืองครับอาจารย์เคยคิดจะตอบคนที่เขาถามมาว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบสุขดีเขาอยากตอบเกาว่าปิดเ c e b o o k ปิดทีวีจบ <c oughs> <c oughs> สงบเลยไม่หรอกจะมาบวยกันทุกคนเนียค <c oughs> ำถามข้อต่อไปจากคุณบอบบี้นะครับวันก่อนผมพบเหตุการณ์แม่เมาสุราทำร้ายทุกตีลูก ใจก็สงสารและเวทนาแต่ก็มีสติรับรู้ว่าเป็นเป็นกรรมของแต่ละบุคคลและหันกลับมารักษาสติตามเดิมเป็นการวางใจที่ถูกต้องหรือไม่จะถือว่าเราใจดำใจแคบหรือไม่ก็มันมีวิธีปฏิบัติอยู่สองระดับไงถ้าเราทำไรได้เราทำแล้วทาให้เกิดผลดีขึ้นมาเราก็ควรจะทำ แต่ถ้าเราทําแล้วไม่เกิดผลดีขึ้นมากลับเกิดความเสียหายมากขึ้นก็อย่าทำเท่านั้นเองต้องดูสถานการณ์ไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางทุกอย่างไปเลยทีเดียวถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางแต่ข้อสําคัญต้องดูใจว่าเราทุกกับการกระทําของเราหรือไม่อันนี้เป็นเป้าหมายหลักถ้าไม่ทําเราทุกข์ใจก็แสดงว่าเรายัางเอ ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางแบบไม่ปล่อยจริงอย่างที่มาถามคําถามนี้ก็แสดงว่ายังมีความคล้องใจอยู่ก็ แ, แสดงว่ายังไม่ปล่อยจริงยังไม่เห็นอนัตตาจริงแต่ถ้าเห็นอนัตตาจริงแล้วก็จะไม่มีความค้องใจอยู่ในใจคําถามข้อต่อไปนะครับท่านเดิมนะครับผมภาวนาพุโทโธและร ะ, ะลึกรู้กับปตริยาบท มาพอประมาณจนรู้สึกถึงความมีสติค่อนข้างต่อเนื่องขอกรบเรียนถามว่าผมจะใช้ประโยชน์จากการมีสตินี้ให้ก้าวหน้าในการภาวนาอย่างไรต่อไปหรือให้ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆการจเจริญสติก็เพื่อเอามาทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องนั่งเมื่อมีสติต่อเนื่องแล้วก็ต้องหาเวลานั่งนั่งเพื่อให้จิตรวมเพราะว่าถ้าไม่นั่งนี้จิตมันจะไม่รวม รวมยากกว่าท่านั่งเดินนี่อาจจะรวมแต่ยากแต่ถ้านั่งนี่มันจะรวมแล้วจะลงลึกกว่าฉนั้นถ้าอยากถ้ามีสติแล้วก็ต้องเอาสติมาควบคุมจิตใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรวมลงเป็นเอกเอกขัตะลมเป็นอุเบกขา เมื่อได้จิตที่รวมลงเป็นอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็จะได้เห็นอริยสัจ ส, สี่ปรากฏขึ้นมาเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็จะได้รู้ว่า เ, ออเกิดความทุกข์ใจก็จะต้องหยุดตัณหาการจะหยุดตัณหาได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่อยากได้อะไรจิตก็จะเป็นอุเบกขาไปเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณแก้วนะครับเป็นคำถามที่ไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิของเขานะครับเรียนถามว่าอาการยิบยิบยิบยิบยิบยิ บ, ย บ, ยบนั้นคืออะไรและทำเช่นไรจึงจะไม่มีเลย ช่วงสี่เดือนเกิดขึ้นบ่อยอเคยเกิดขึ้นแล้วสองปีที่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจช่วงนี้มันเกิดขึ้นอีกก็พิจารณาว่ามันเป็นอาจารยทุกขังนัตตาไปมันจะยิบยิยิบก็ปล่อยมันยิบยิยิบไปเราก็รู้ไปเฉยเฉยอยากไปอยากให้มันหายก็แล้วกันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันไปถ้าเรามีห้าขาก็ปล่อยมันมีห้าขาไปอย่าไปทุกข์กับมัน ถ้ามีขาห้าที่ห้าโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปทุกข์กับมัน ม, มีมือสองมีแขนสองมีขาสองแล้วมีขาที่ห้าโผล่ถ้ามันโผล่มาก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์ขาอนัตตาไปก็อยู่กับมันไปอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาหมดแล้วครับพระอาจารย์ ยังงทั้งนี้มีอะไรอีกไหมหพระจาครับมีมีข้อสงสัยอยากให้พระไม่รู้ว่าจะควรหรือเปล่านะครับคือว่าในสถานะของอ่ า, าเดชนะครับที่มาที่ที่นี่มาการาพเจ้าหลายครั้งแล้วครับเขาไปโพ ร, รูปพระจารย์ไว้แล้วมีคนมาตอบว่าหลวงพ่อท่านหนึ่งเนะี่ยอ่าเขาเคยถามหลวงพ่อท่านหนึ่งว่ามีพระเนี่ยที่บรรลุในอายุพันษาน้อยๆบ้างไหมครับ เขาก็พูดถึงพระจาร์ที่มาว่าพรรษา6หรือพรรษา8เนี่ยครับแล้วก็พูดว่าพระจารย์มีฤทธิ์พอรักษาตัวครับพระจาร์อธิบายได้ไหมครับมันเราไม่อยากจะเปลืองตัวเงียบๆดีกว่าปลอดภัยกว่า ก็ตั้งแต่บวชมาก็ยังไม่เคยต้องเจ็บไขยได้ป่วยยกเว้นครั้งเดียวที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลก็ตอนที่ถูกงูกัดนัด่งนั่นก็แม่นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักนะสะสาดเป็นไข้หวัดเป็นปวดท้องอาหารเป็นพิษอะไรของมันไปก็ก็ขรคับประคองมาได้ตลอดเวลาเพราะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรมีแต่กินกับนอนมันก็เลยเห <c oughs> มือกับรถยนต์นะถ้าเราไม่เอาไปขับมันก็ โอกาสที่มันจะไปชนมันก็ไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าเราใช้น้อยๆมันก็จะเสื่อมช้าลงแต่ถ้าเราลดไปขับทุกวันทุกวันตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็สึกล้อเร็วมันก็เสียหายเร็วร่างกายของคนเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะรักษาร่างกายให้เราอยู่ไปนานๆก็อย่าไปใช้มันมากแล้นั่งสมาธินี้อยู่ที่เฉยทําใจให้สงบแล้วมันที่เราต้อง ใช้ร่างกายมากก็เพราะว่าเรามปตั้หาความอยากมากอยากดูนั่นอยู่นี่อยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะดื่มนั่นดื่มนี่มันก็เลยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมพอใช้มันมากๆมันก็เลยเสื่อมเร็วมันก็เลยมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนยาโยมมีปัญหาระยะหลังเนี่ยดูดูลมหายใจแล้วมันทำ อ, อึดอัดเร็มากทำไมถึจจะ เป็นเพราะกิเลสของเราต่อต้านมันไม่อยากจะดูถ้าเราอยากดูอะไรแล้วถ้ามันชอบดูมันไม่มีไม่มันจะไม่มันจะไม่รู้สึกอึดอัดหรอกถ้าเราอยากถ้าเราชอบดูหนังเนี่ยดูไปกี่เรื่องมันก็ไม่มันก็ไม่อึดอัดอก็ต้องพยายามสอนว่ามันมีประโยชน์นะดูลมแล้วใจสงบนี่มันดีกว่าดูหนังนะมันมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดูหนังนะ นัตถิสันติพลังสุขขังให้ท่องคํานี้ไว้ไม่ อ, อ, อ, ากกาอพอมันเห็นว่าเออจริงๆนะดูลมนี่เราจะได้เราจะได้ความสุขมากกว่าดูหนังนะต่อไปมันก็จะชอบดูลมมากกว่าดูหนังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดูอะไรก็แล้วแต่คือ <c ười> <c ười> กิเลสมันต่อต้านพอจะนั่งทำสมาธิปั๊เนี่เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเลย แต่ได้ให้นั่งไปไหนมาไหนนั่งเที่ยวไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวนี้นั่งไปได้พอนอนดูปุ๊บหายเลยพระอาจารย์ต้องใช้นอนนอนแล้วก็หลับเลยใช่ส่วนหนึ่งก็คือสติเราไม่มีกําลังพอที่จะดึงใจให้มาอยู่กับงานก็ถูกกิเลสมันลากไปให้ไปทางของกิเลสพอเราไม่มีกําลังพอจะดึงมันมา ก, ก็เลยเป็นการชักกระเยอะกัน มันอะยรนั่นมันเกิดความตึงเครียดขึ้นมาเพราะกําลังเราน้อยกว่าเขาเลื่อเท่าเขาแต่ถ้ากําลังเรามากกว่ามันก็จะไม่ตึงเครียดถ้ากําลังถ้ากําลังเข้ามากกว่ามันก็ไม่ตึงเครียดเพราะเราจะไม่ทํำคนที่ไม่ทําเลยก็เพราะว่าเขาไม่มีกําลังที่จะดึงก็พยายามดูเมื่อไหร่จิตสงบแล้วเฮ้เราก็ดูเหมือนกันที่อย่างเหมือนกันเมันอสงบแล้วทําไงมันก็ไม่ตึงเครียดแต่อีตอนเริ่มต้นนะยายมีปัญหาตอนเริ่มต้นต้องอดทนมากเลยจนใจมันสงอยู่ที่นนั่นแหละ พอไม่ทําอย่างต่อเนื่องไงต้องทําทั้งวันทําทั้งวันทําทั้งวันทําทั้งวันทำทุกวันทุกวันทำแล้วค่ะใช่ทุกวันไม่ไม่พอหรอกอ่ามันทุกวันแต่วันละชั่วโมงเนี่ยมันยังทิ้งช่วงต้องทีบสามชั่วโมงเจ๊ะนมันต้องไม่มีช่วงเลยที่ที่ที่จะไม่ควบคุมใจอ่ามันยกเว้นเวลานอนหลับเท่านั้นเอง มันถึงจะได้ผลออเอาก็อยากจะให้ได้เต็มร้อยไงให้ได้รับเกียรติยมพระอาจารย์ครับช่วงที่พระอาจารย์ไม่สบายเล็กน้อยครับพระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าจะใช้ธรรมะโอสถโดยการ ร, รัก ษ, ษานี่ทําอย่างไรครับพระอาจารย์ก็ใช้ปัญญาไงพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอ น, นัตตาใจเราอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากกับมัน มันจะเป็นอย่างไรก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปตามเหตุตามผลของมันถ้ารักษาไม่ได้ต้องรอให้มันฟื้นของมันเองก็ต้องรอให้มันฟื้นร่างกายมันก็มีการปรับปรุงตัวของมันเองมันก็มีแก้การแก้รักษาของมันภายในระบบภายในมันจะปรับของมันไปเองเวลามันไม่สมดุลมันเดี๋ยวมันก็จะปรับเข้าหาความสมดุลเองช้าหรือเร็วนั่นเองถ้าปรับไม่ได้มันก็ อะไรก็ทาดก็แตกมันก็จบก็มีเท่านั้นอาจารอากาพาไปตรวจตาคุณหมอสวัสดนเช้าก็มีคนจะถวายแว่นตาให้ถวายมาแล้วก็ยังยาจะจะถวายกันไม่ต้องไปตรวจ ด, ด, ดูอยาเาถวายเล ย, ยไม่พอดีคนนี้ก็ก็มาตรวจตาให้แล้วเมื่อเขาเป็นคนทําแว่น แวนสายตาแล้วก็มีมีเครื่องมายกให้เขาก็บอกว่าตาดีตาดีเขาดูว่ามันยาวก็คือพวกตาตาที่เป็นเรื่องเป็นต่ออันนี้เขาไม่ได้ดูเพราะเขาไม่ได้เขไม่ได้เป็นไม่ไม่เป็นแพทย์ก็เป็นเพียงแต่คนทําแว่นเขาก็จะดูแต่สายตาท่านยาวเขาก็ว่าสายตาก็ปกติแต่มันสายตายาวรู้สึกก็สองสองสอง้อยเจ็ดสิบห้าประมาณสอง้อยเจ็ดสบห้า ถ้าจะอ่านังสือทั้งนี้ต้องใส่ยส่ยกันตาถึงจะอ่านได้แต่ถ้ามองธรรมดาอย่างนี้มองมองได้สบายานัก็ไว้รอลอยเว้รอให้มันมีเหตุกันให้มันมีเหตุกนันอบอกใครไปก็ได้เพราว่าผมไม่มาเขบอกเขาเอได้บอกคุณปู่ก็ได้แอ่ยังไม่มีปัญหาวัสดีคราวที่แล้วมีปัญหาก็มีหมออยู่ใกล้ พอดีตามันอักเสบตาแดงไปหมดเลยพอดีมันตรงกับวันที่สมเด็จพระสังฆราชท่านละขันคนก็เลยคิดว่าเราร้องไห้ั้นตาแดง <c oughs> <c oughs> ตาแดงก่ำเลยเป <c oughs> ็นอักเสบ <c oughs> ปฏิเชือ้อ <c oughs> บางทีน้ําที่วัดนี่มันเป็นน้ําปปาที่ไม่ได้ฆ่าเชือ้อ <c oughs> บางทีเราล้างหน้า <c oughs> ล้างตาแลา้ว <c oughs> พอดีมันเข้าไปแล้วรู้สึกขันเราก็เลยไป ไปขยี้ขยี้ม ik ันก็เลยเป็นขึ้นมาเพิ่งเป็นครั้งแรกนั่นตั e ้งแต่เกิดมาเท่าที่จำได้สองสามวันก็หายก็หมอเขาให้มาหมดเลยทุกอย่างแต่เราไม่ได้ใช้เราเราใช้แต่ยาฆ่าเชื้อตัวเดียวเลยก็มียาอย่างอื่นให้ใช้ด้อยแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันไม่สําคัญสําคัญที่ตัวฆ่าฆ่าเชื้อตัวเดียวนะเราใช้แต่ยายาที่ฆ่าเชื้อหย่อนไปแค่สองสามครั้งมันก็มันก็จากล้ว พระอาจารย์ ว, วันที่สิบสี่วันศุกร์พรอาจารย์จะแสดงทำไหมครับก็คงจะต้องแสดงวาถ้ามีคนขึ้นมาพระอาจารย์ต้องปฏิโมกที่ยงหรือบ่ายโมงเดี๋ยวนี้บ่ายลงเที่ยงลงเที่ยงเสร็จก็ขึ้นมาบ่ายโมงกว่าก็เตรียมตัวรับญาติโยมช่วงสองโมงต่อวันนั้นก็จะจะยาวเลยตั้งแต่บินดาบัดชันเสร็จฉันเสร็จก็ลงปฏิโมกลงปฏิโมกเสร็จก็มา รับญาติโยมต่อแล้วเมื่อก่อนนี้ก็เย็นก็ต้องลงไปเวียนเทียนต่อแตบเดี๋ยวนี้ขอลาละเรื่องเวียนเทียนบอกไม่ไหวละหมดแรงก็เลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลงไปเวียนเทียนะที่พระอาจารย์คับการเวียนเทียนเนี่ยคิดนี่คือการปฏิบัติเหมือนกับว่าถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าะครับเป็นอุบายสอนให้ญาติโยไมได้เดินจงกรมไง เ, เอออะไรอย่างนะ เดิจงกลเวลาเดินก็ให้เจริญพุทธานุสติให้สวดอิติปิสโสหลังสัมมาไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายสอนให้คนที่ภาวนาไม่เป็นได้ภาวนาเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชาเพก็เป็นปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาที่แท้จริงเดเมื่อคนจะไม่เคยรู้ถ้าจริงๆแล้วคนจะอธิบายให้คนรู้แล้วเดินให้มีมสติบอะว่าคนที่คนที่สอนไม่รู้ไงคนที่สอนก็ไม่รู้สอน สอมาตามแบบตามรูปตามรูปแบบฉบับไม่ได้คิดว่าทาเพื่ออะไ ร, ร, รเพราะถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะไม่รู้เลยว่าการปฏิบัติต่างๆที่เราทำกันนี้มีมีเหตุมีผลมาอย่างไรทุกอย่างมีเหตุมีผลหมด<ๆ>ถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้านี้มีเหตุมีผลที่จะดึงให้เราเข้าสู่มรรคทั้งนั้นให้เราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่ปัญญาความรู้ความฉลาด อเรามาเรียนกันแบบนกแก้วท่องท่องคัมภีร์กันมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมาโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลว่าท่องกันไปทําไมถิ่นที่ท่องมีความหมายอะไรอย่างไรก็ไม่รู้กันอย่างนั้นผู้ที่ละลืมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหรือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วอพิธีกรรมเหล่านี้ก็ไม่มีความจําเป็นใช่ไหมครับอาจารย์พิธีกรรมมันก็เป็นเหมือนกับขั้นตอนของ ของการปฏิบัติพิธิกรรมมันก็มีไว้เพื่อให้เราได้เข้าสู่การปฏิบัติถ้าเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องมีพิธีกรรมก็ได้แต่คนที่ยังปฏิบัติไม่เป็นก็อาจจะต้องอาศัยพิธีกรรมเหมือนเด็กตอนที่ยังเดินไม่ได้ก็ต้องอาศัยไอ้อะไรวอ er ล์กเกอร์เหรอให้เด็กหันเกาะเดินไปก่อนแต่พอเด็กเดินได้แล้วก็วอล์กเกอร์ก็ยมทิ้งไปคนที่เข้าสู่การภาวนาแล้วก็ทิ้งหมดได้พิธีกรรมต่าง บุญต่างๆก็ทิ้งได้หมดเลยก็ะถิ่นผ้าป่าหรืองานวันเกิดงานวันตายงานเผาศพนี้ทิ้งให้ได้หมดเลยเพราะมันไม่จำเป็นสำหรับผู้ภาวนามันเสียเวลามันกลับมาทับกลับทำมาให้ให้ให้ให้เสียเวลาหรือดึงจิตให้รงต่ำคนภาวนาแล้วต้องปิกวิเวกต้องเข้าป่าเข้าเขาอยู่ตามลำพังคนเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยไปอยู่เชียงใหม่นีน่สิบปีเนี่ยน่าะ ถ้าถึงขั้นภาวนาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคือพุทธศาสนาเรานี้แบ่งเป็นสองขั้นไงขั้นนักบุญกับขั้นนักบวชถ้าเรายังเป็นนักบุญยังชอบทําบุญอยู่ก็ยังไม่ได้ภาวนาก็จะชอบไปงานพระป่างานกระถิ่นงานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์งานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการที่จะดึงให้เราเข้าสู่การปฏิบัติด้วยการให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็จะได้ พอเรามีสละได้เราก็จะมีกำลังที่จะออกบวชได้ต่อไปเน้นพอเราเป็นนักบวชแล้วเราก็อยากไปทำงานของนักบุญละถ้าเราบวชแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปละงานผ้าฝางานกระถิ่งงานฉลองเจดีฉลองบวชอะไรนี่ไม่ใช่งานหน้าที่ของนักบวชล้ะนักบวชต้องเข้าสู่ทางทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติพิจารณาปัญญาอย่างนี้อันนี้เป็นงานของนักบวช อาแล้วนะวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดเดี๋ยวเอาสไปบ้างก็ได้นะเดี๋ยวแบบปป ท, ที่นั่นดีกว่าเนาะที่ที่นูน่นมีมีอยู่ตั้งอยู่มีอยู่สองสองสองเล่ม เล่นเขียวกับเล่นเล่นดำได้ไหมครับลงได้ยัง